สัมมาปโตมหาเตโชปัญจวักขยาภิกขุนางสัมมาดัมมังปวัเตสีสัทนาหังนามมิตหังสังคิสโรมหาปัญโยทัตวามาตังมหาชนังสังทิโตจิรัง เคตัมฮิสเวราหังนามามิตหังพุทธสสะสารอุญญาเนนิพุทธัสสะจตาทิโนพุทธัสสะตาสะทาตุโยเสยรูปังนามามิหังพระบรมศาสดาผู้ทรงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ เสด็จถึงป่าอิสิปตนมำฤกทายวันโดยสวัสดิภาพทรงสแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นเบื้องแรกแก่พระปัญจวคีโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงปกครองสงมีพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ ประทานอัมบตาธรรมแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วิหารเฉตวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระวิหารเฉตวันนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระาธาตุของพระบรมศาสดาผู้คงที่ผู้เสด็จดับขันธปรินิพานณสารวโนทยานป่าสาละ และขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธรูปศีห์สายญาติพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าบเป็นนิดขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเพื่อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายเราท่านทั้งหลายได้มาพฤติปฏิบัติกันมาก็หลายวันแล้ว อยู่ในโครงการในการมาเจริญกุศลโดยเฉพาะก็คือมาเจริญพรหมวิหารธรรมในข้อแรกก็คือเจริญเมตตาอย่างเมตตาจิตคือความไม่โกรธให้เกิดขึ้นพยายามฝึกฝนอบรมแล้วก็พัฒนากุศลให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราละลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญบารมี ในการบำเพ็ญบารมี10บอุปปารมี1ิบปรมัตถบารมีส0โดยเฉพาะก็คือว่าทรงบำเพ็ญมหาปริจาคะทั้งหมีฐานะปริจาคะเป็นต้นจนถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นุตตะสมมาสัมพูริยานก็ได้ประกาศหลักการของพระศาสนายังประชาสัตให้ได้ดื่มดำ่อำอมตะธรรมนั้นได้พากันบรรลุ เป็นพระโสดาบันบ้างสกาทานาคาและเป็นพระรหารโดยเฉพาะที่เป็นพระทหารก็เสด็จดับขันทพริริพานกันอย่างมากมายเราท่านทั้งหลายเกิดมาในสุดท้ายปลายหลังแต่ยังทันาศาสนาของพระชินพระเจ้านับว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายได้มาพบเจอพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนอานอนท์ธรรมและวินัยที่พระตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้ว ธรรมและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราโดยสรุปตรงนี้ก็คือพระเจ้าปรินิพานเป็นหนึ่งแต่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 สพันระธรรมขันยังทากิจของพระศาสดาไม่ห่างหายถ้าเราเห็นหมู่พระสงฆ์ที่ท่านบิณฑบาตใช่เราก็จะเห็นว่าเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะมองหรือว่า เอาพื่อปฏิบัติตามวินัยในเสขียวัฒนในขณะที่ท่านเดินวินาบาตสายตาทอดต่ำบ้างมองดูแต่ในบาทเป็นต้นหรือในขณะที่ท่านโหมจีวรทํากิจกรรมในขณะที่ท่านเดินตามวินัยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยวินัยกําลังเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของท่านอยู่และในขณะเดียวกันท่านมีสติสพัพชัญญะมีความเพียรที่สร้างสารรค์ มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะกำลังดําเนินเป็นไปอยู่นั้นแปลว่าพระธรรมกําลังไหลอยู่ในกระแสชีวิตของหมู่สง์นั้นเป็นต้นพระท่านเดินตามวินยัยฝึกตามวินยัยแล้วก็เข้าสู่ธรรมะก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยธรรมและวินัยยังกํากับกระแสชีวิตของหมู่สง์ให้ดําเนินเป็นไปอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระาศาสดา ย, ยังทํากิจของท่านอยู่เพราะวินัยก็กํากับให้ท่านได้เดินตามฝึกตาม เดินตามวินัยฝึกตามศึกขาบทแล้วกระแสชีวิตก็ดําเนินไปสู่ศีลสมาธิและปัญญาตัวศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะส่วนวินัยเป็นหลักการเป็นระเบียบแบบแผนที่ท่านได้เดินตามฝึกตามแสดงว่าวินัยนั้นยังดําเนินเป็นไปอยู่ธรรมะก็ยังดําเนินเป็นไปอยู่ในกระแสชีวิตในกระแสขันของพระเป็นต้นเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าธรรมวินัยยังดําเนินเป็นไปอยู่แต่เราท่านทั้งหลายจะเห็นหรือไม่แค่นั้นเอง ถ้ายังมีภิกษุสงฆ์เป็นต้นอะไรเนี้ยนะหรือพุทธบริษัทยังประพฤติปฏิบัติตามวินยัยฝึกตามศิขาบทเข้าสู่ธรรมะก็คือเดินตามศีลสมาธิและปัญญาเป็นไปอยู่ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นธรรมะวินัยเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเมื่อท่านดําเนินไปตามวินยัยฝึกตามศิขาบทเข้าสู่ธรรมะก็แสดงให้เห็นชัดว่าตอนนี้ ทำรรมาวินัยซึ่งเป็นองค์ของพระศาสดามาประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของหมู่ภิกษุสงฆ์เป็นต้นที่กําลังดําเนินเป็นไปอยู่ถ้าเราได้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความรู้เห็นด้วยความเข้าใจอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าตอนนี้เราได้เห็นพระศาสดากําลังทํากิจของท่านอยู่ไม่เคยห่างหายไม่เคยเว้นเลยแม้พระศาสนาจะล่วงเลยมา2 5งพันห้กกว่าปี แต่พระธรรมวินัยนั้นยังหมุนเป็นไปอยู่ในกระแสชีวิตของมวลประชาสัตย์ทั้งหลายมีภิกษุเป็นต้นถ้าเราได้เห็นอย่างนี้ก็จงทําความชื่นใจให้เกิดขึ้นทําศรัทธาให้เกิดขึ้นว่าเชื่อมั่นในพระธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทําและ ว, วินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเรา ฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้เห็นกันอยู่เราพุทธบริษัทที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเห็นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าอย่างชัดเจนในพระสูตรสูตรหนึ่งตรงนี้จะชี้ให้เราได้เห็นวิธีการละบาปและบาปในที่นั้นก็คือวิธีการละราคะด้วยโทสะด้วยแล้วก็โมหะด้วยโดยเฉพาะก็คือเวลาเรามาเจริญเมตตาพรหมวิหารเนี่ยเราไม่ใช่ละแค่โทสะอย่างเดียว เราต้องละราคะคือความกำหนัดด้วยเพราะราคาเป็นเหตุใกล้ชิดของเอเป็นตัวศัตรูใกล้ชิดของเมตตาแล้วก็ต้องละโทสะด้วยไม่ใช่ละแค่ราคะกับโทสะอย่างเดียวแม้โมหะความมืดบอดก็ต้องละ ด, ด้วยอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือกลุ่มอกุศลรกรรมมันชั่วร้ายหรือกลุ่มอกุศสรธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเราก็ต้องเพียรพยายามในการที่จะละให้ได้ด้วยในพระสูตรสูตรหนึ่งที่แสดงไว้ในมชิมานิกาบรบุรปนาศ ชื่อว่าวิตกกาสันฐานสูตรว่าด้วยที่ตั้งแห่งวิตกวิตกเนี่ยนะในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันรามของท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวถีณที่นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายท่านภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสของพระพุทธเจ้าแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบอกว่าภิกษุผู้ขวนขวายในที่จิต คำว่าขวัญขวายในอธิจิตก็แปลว่าจิตที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทกุศลกรรมบทก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ประพูดผิดในกรมใช่ไหมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่โลภไม่โกรธแล้วก็เห็นถูกอย่างนี้เป็นต้นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตสามวจีสุจริตสแล้วก็มโนสุจริตสเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลกรรมบทตส ภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีซึ่งขวนขวายอาทิตจิตก็แปลว่าจิตที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทก็คือสมาบัตแ8อันเป็นบาทของวิปัสสนาญาณควรใส่ใจถึงนิมิต5ประการตามเวลาันสมควรก็หมายความว่าเราเนี่ยถ้าอยู่เพียงแค่กุศลกรรมบทเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะกุศลกรรมบทอย่างเดียวเนี่ย ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมศีลหกุศลกรรมบทเนี่ยได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เป็นต้นก็คือได้ในกา玛กามาวจรภูมิในในในมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกเนี่ยกลุ่มเหล่าเนี่ยถ้าเป็นจะขึ้นสวรรค์ได้เลยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกศีลแอย่างเงี้ยนะฉะนั้นศีลหกุศลกรรมบทเนี่ยทำให้เราได้ความเป็นมนุษย์แต่การเป็นมนุษย์ก็ยังไม่พ้นจากชาติทุกขชาราทุกพยาทุทกมรณะทุก โศกกาลปริเทวทุกขโทมนาสสาวปายาตฉะนั้นก็คือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจมันก็ยังเบียดเบียนอยู่ซึ่งก็ยังต้องเจ็บปวดกับการที่จะต้องบริหารรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องยกขันธพลาขึ้นแล้วแล้วเาๆใช่ไหมแบกขันธพลาแล้วก็ต้องบริหารจัดการเหนื่อยยากลําบากอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี่แหละแค่เราจะเข้าห้องน้ําแค่เราจะไปกินอาหารเนี่ยไอ้ส่วนที่ มันก็ต้องหอบพยุงไปทั้งหมดใช่ไหมผมไม่เกี่ยวก็ต้องไปด้วยขนไม่เกี่ยวก็ต้องไปด้วยเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตาต้องหอบกันปะนี่แหละหอบพยุงพลังกันไปอย่างนี้แหละมันมันมันลำบากอย่างนี้แหละอยเอธนาขันก็นําไปด้วยสัญญาสังขารวิญามก็ไปด้วยเนี่ยนี่คือขันธภานละต้องบริหารต้องจัดการต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องคู่ต้องเหยียดต้องก้มต้องเงยต้องทายอยู่ใจละปัสสาวะต้องยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งโหดูแลลําบาก ยิ่งอะโยมมากเนั่งแป๊บเดียวก็จะหลับมันเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าได้ยอมเหนื่อยแล้วพระก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเหนื่อยใช่ไหมอาการที่มันเหนื่อยขึ้นมามนบ่งบอกว่ามันแย่แล้วฉะนั้นบุคคลภิกษุภิกษุนีอุบาสกบาลิกาขวนขวายในทิฏฐิทิฏฐิคือจิตที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทก็ษมาบัตทั้งแปดเนี่ย หรือเริ่มทนับก้าก็ได้อุปจาระสมาธิแล้วก็สมาบัติอีก8ปดปฐมประชาน ท, ทาานุติาายาฌานตัทิฌานเจตุละฌานเป็นหแล้วนะอรูปฌานอีกสี่รูปฌานสี่อรูปฌาน4ี่อุปจาระสมาธิสมาธิที่ขม่มนิวัรธรรมได้เบื้องต้นอันนี้ก็เรียกว่าอธิจิตจิตที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทเราได้อย่างได้อย่างเนี่ยสองสาวันแล้ววันนี้ อาจารย์สุรพงศ์กับผ้าอาจารย์มหาสุรัส์ท่านสอนเรื่องอะไรกันสอนเรื่องอะไรทำท่าลืมแล้วสอนเมตตาเนี่ยโอ้โหเมตตาเต็มอ่างทองเลยเศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองเนี่ยเมตตากระจายขนาดเอามาไปที่สุพรรณไปที่วัดดอนเจดีย์ มันเย็นวา่วาบวบว่าเป็นระยะสงสัยเมตตาของพวกเราเนี่เลยมันวิ่งไปถึงขนาดนั้นเลยสงสัยมีใครแผ่ไปให้อาตมาเนี่ยอากาศร้อนมากร้อนอย่างมากเลยพระไปนั่งรวมกันนั่งเป็นพันรูปเพื่อไปชมมาเนยอัมมาก็เป็นนั่งอยู่ตรงกลางก็เอ๊ะมันเย็นเป็นระยะระยะนี่แล้วก็ไม่มีไม่มีแอร์ด้วยนะยอมนั่งกรรมฐานกันอยู่ในห้องแอร์อามมาต้องไปอยู่พระรวมกันเป็นพัน แล้วอยู่ในเต็น์เนี่ยยอมยองคิดว่าร้อนไหมเต็น์เนี่ยเออเดียวแล้วลองคิดดูทีนียบุญยอมดีกว่ามาจริงจริงยอโอ้โหกลัวจะไม่ได้นั่งห้องแอร์เย็นๆนี่โอ้ต้องคนขวายรีบมานี่มันนั่งโอ้ควนชั่วชื่นใจย <c oughs> นึกในใจในโทษของการให้ทานมาน้อยเนี่ยลำบากไปนั่งแล้วโอ้โห ไอ้ตรงที่เรานั่งพัดลมก็ไม่มีเค้าอย่างงี้ ต, งต้องหาน้ำโปะเป็นระยะอะยะเออ น, นี่ก็พูดเรื่องวิบากแต่ใจมันเย็นเป็นระยะระยะต้องมีใครแผ่เมตตาให้อะตมานี่มีไหมมีบ้างปะแอบคิดถึงพระแล้วก็แผ่เมตตาให้เป็นระยะระยะมีบ้างไหมเนี่ยมีใช่ไหมอะมา น, นึกแล้วต้องมีแสดงว่าไม่มาก ถ้มากในะเชื่อว่าคงจะต้องเย็นตลอดเพราะมันว่าเป็นระยะระยะนี้ใช่ไหมแสดงว่าไม่มากยอมลองช่วยทำหน่อยนะว่าลองทุกคนนี่นั่งน้องแพ่เมตตาให้ท่านอาจารย์มหาสุรัต ท, ท่านจะเย็นทั้งคืนแล้วก็เย็นทั้งวันนะข้าวนะข้าเนี่ยเวลาใครมาหาจะบ่นบ้างอะไรบ้างจะเย็นตลอดเลยจะเย็นท่านเย็นตลอดอันนี้มีมีพลานิสง์นะ ขนาดแค่เมตตาแค่ะแถาจิตเดียวแล้วแผ่ให้ยังเย็นนะอันนี้ลองลองทุกคนลองลองรวมกันแล้ว ล, ล, ลองแผ่ดูสิท่านจะรู้สึกอุทานออกม า, าสุขจริงนสุขจริงเนาขนาดนั้นอุทานขนาดนั้นนี่เรื่องจริงนะนี่พลังเมตานี่ไม่ธรรมดาทีนี้เอาพูดต่อเมื่อกี้ถึงไหนอะไรเดี๋ยวจะไม่จบพูดเรื่องอะไรนะในสูตรอะไรนะวิตกกะสันฐานสูตรแปลว่าอะไรนะ ะเอาและจับได้คนก็คพอแล้วที่ตั้งนะว่าด้วยที่ตั้งแห่งวิตกหรือของวิตกเออเน่แหละทีนี้ก็บอกว่าภิกษุหรือพุทธบริษัาว่าในในในพระสูตรท่านจะบอกดูก่อนภิกษุตั้งหลายหรือภิกษุเนี่ยแปลว่าเป็นประธานา น, านัยนียเป็นคำที่พูดภิกษุเป็นประธานแต่ออแสดงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราหอกเนี่ น, นีแปลวคิดผิดนะ รวมพวกเราด้วยเนี่ยคว่าภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยแปลว่ายกภิกษุเป็นประธานแต่รวมถึงอุบาสิกาอย่างเราด้วยฉะนั้นเราอยไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเราไม่เรียกชื่อเราเราก็ไม่สนใจฟังนี่พวกเราเนี่ยบางทีต้องให้บอกจะจงเลยในทังเยาฟังถ้าพูดกันตรงๆก็ดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลา ย, ยแต่ว่าเวลาพพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ พิกซูนีทั้งหลายด้วยอุบาสกทั้งหลายด้วยอุบาสิกาทั้งหลายด้วยนะรอดไหมไม่รอดพวกเราด้วยเตือนพวกเราทําไมต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนทุกครั้งเพื่อให้เราตั้งใจทําโยนิโสมนัสิกาใี่ตั้งขึ้นในขณะที่ฟังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็มัวคิดเรื่องอื่นในมัวคิดเรื่องอื่นมัวส่งใจไปในเรื่องอื่นอย่างนี้เป็นต้นคนที่ฟังธรรมะแล้วได้ผลเนี่ย โดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ยอมส่งใจไปที่อื่นเลยแม้เสียงอื่นปิดหมดเลยน้อมไปที่เสียงที่เสียงพระธรรมเทศนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจะไม่ยอมคิดในเรื่องอื่นแม้ยุงกัดก็ไม่รู้สึกแม้ยิ่งอื่นมารบ ก, กวนก็ไม่รู้สึกยอมเป็นกันขนาดนั้นหรือยังถ้าเป็นขนาดนั้นได้ดิบได้ดีแล้วใกล้จะบรรลุแต่ถ้าหากวันยัง โอ้โหกระตกแล้วกระตกเองมันยังง่วงบ้างหงุดหงิดบ้างฟุ้งซ่านบ้างแปลว่าการฟังสมาธิในการฟังสติในการฟังนะั้นยังไม่ค่อยแข็งแรงไอ้ตัวสติมันคําว่าดึงมาและดึงดึงไว้เนี่ยถ้าแปลอย่างไทยๆเราเนี่ยนะไอ้สติเนี่ยแปลว่าดึงมาดึงมาคือไงดึงเรื่องในอดีตใช้สติดึงมาให้จิตได้รับรู้ในะปัจจุบันเนี่ยนี่ก็เรียกดึงมา ถ้าดึงไว้นี่แปลว่ากําลังฟังอยู่เนี่ยไม่ให้อารมณ์นั้นหรือเรื่องราวนั้นมันหลุดลอยไปเขาเรียกดึงไว้ใช้สติน่ะดึงไว้ตอนนี้ยอมควรดึงมาหรือดึงไว้ดึงไว้เอใช้สติดึงไว้นะดึงตรึงจับไว้ใช้สติจับไว้ดึงไว้อย่าให้คําพูดอย่าให้พระธรรมที่พระกําลังสาธยายเนี่ยหลุดลอยไป ลำดับฟังให้ได้ทุกคาจดจ่อให้ได้ทุกคาพูดแล้วเรียงลำดับให้เกิดความเข้าใจให้ท่องแท้แล้วจะประสบความสำเร็จในการฟังเข้าใจยัง <c oughs> มีบางคนไม่ยอมดึงไว้หลุดแล้วหลับแล้วนี่อเอาไม่เป็นไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ควรใส่ใจในิมิตที่ประกอบไปด้วยกุศล คำว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ควรใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบไปด้วยกุศลอื่นจากนิมิต ท, ที่ใส่ใจเป็นคำว่าใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบด้วยกุศลก็คือว่าเว е ลาที่ใส่ใจหรือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ควรใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบไปด้วยกุศลก็คือว่าทานศีลสมถารุปัสสนาเนี่ยเขาเรียกกุศลเว е ลา เวลาวิตกมีกาเมวิตกพยาบาทวิตกความโกรธหรือความหมูด่ดีทั้งหลายเนี่ยมันกุมรุมในใจเนี่ยตอนนั้นให้ใส่ใจไปที่ทานศีล ส, สมถะหรือวิปัสนาอื่นจากนิมิตที่ใส่ใจนั้นเป็นอารมณ์แล้วก็ทําให้เกิดวิตกเพราะว่าถ้าเราไปใส่ใจอารมณ์ใด น, นะถ้าบาปอกุศลกรรมเนี่ยอันชั่วร้ายที่ประกอบไปด้วยวิตกนั่นแหละ คือวิตกเนี่ยประกอบไปด้วยฉันท่าบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อเธอใส่ใจในนิมิต ด, ดังกล่าวเธอย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดำรงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้อุปมาเหมือนอะไรเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้ผู้ชนานาญชาญฉลาดใช้ลิม ใช้ริมอันเล็กตอกโยกคลอนริมอันใหญ่ออกได้แม้ชั้นใดเวลาเขาจะสมัยก่อนเนี่ยเวลาริมที่มันตอกอัดเข้าไปในเสาก็ดีในขือก็ดีในในในเรือนในบ้านก็ดีเนี่ยเาจะมีริมริมใช้ไม้ตอกเข้าไปอัดเข้าไปทีนี้ถ้าหากเราต้องการจะโยกเอาริมนั้นออกเขาจะต้องใช้ริมที่เล็กกว่าเล็กกว่าตอกเวลาใช้คลอนตอก ที่ลิ่มตอกปังปังปังเข้าไปเนี่ยไอตัวลิ่มที่อัดอยู่ในเสานั้นจะหลุดออกไปนี่ก็เหมือนกันถ้ากาเมวิตกความตรึกหรือคิดในเรื่องกามพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องการเบียดเบียนหรือคิดในเรื่องบาปอยู่เนี่ยตอนนั้นเราจะต้องตอกไอเนียเอาบาปออกจากใจให้ได้โยกใช้อะไร กระทงออกให้ได้การที่จะกระทุงออกให้ได้น่ะให้คิดถึงถ้าเราไปคิดเรื่องกามเนี่ยค huh ิดเรื่องพยาบาทใส่ใจในเรื่องของความโกรธความเครียดความพยาบาทความหงุดหงิดถ้าไปใส่ใจอย่างนี้แปลว่าตอนนั้นน่ะลิมคือความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความอิจฉาลิษยาก็ดีเนี่ยมันแน่นแล้วแปลว่าแน่นในใจแล้ววิธีการก็คือว่าให้คิดถึงเรื่องอื่นให้มานาสการเรื่องอื่นให้ไปมานาสการถึงทานกุศล มาดการถึงศีลกุศลมนาสการถึงสมถะและเช่นเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วก็มนาสการถึงวิปัสนาไปวิจัยรูปปัจขันธ์เวทนาสัญญาสังขารด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างเงี้ยการที่ไปใส่ใจในนิมิตอื่นที่นอกจากนิมิต ท, ที่เรากําลังดูยอยู่หรือที่ตั้งที่ทําให้เกิดกิเลสเช่นเราคิดถึงพ่อแล้วกโกรธเราคิดถึง สามีแล้วโกรธคิดถึงภรรยาแล้วโกรธคิดถึงเพื่อนแล้วโกรธคิดถึงคนที่เราไม่พอใจแล้วโกรธนั้นแปลว่านิมิตหรือเรื่องที่เรากําลังคิดอยู่นั้นน่ะมันทําให้จิตเราเครียดแล้วโกรธแปลว่าเราโดนลิ่มเนี่ยอัดแน่นในใจแล้วต้องตอกออกด้วยการคิดถึงอะไรคิดถึงทานกุศลคิดถึงศีลกุศลคิดถึงสมถะการภาวะจิตที่สงบแล้วก็คิดถึงวิปัสสนาญาณพอคิดอย่างนี้แล้ว หลุดไหมอากุศลในใจหลุดหรือไม่หลุดบางคนก็หลุดบางคนก็ไม่หลุดเหมือนเหมือนคนที่ฉลาดใช่ไหมช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้ที่ชาญฉลาดใช้ริบมันเล็กตอกริบมันใหญ่ออกโยกออกได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเราตอกกามมกามวิตกออกกระทุ้งกามมวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาวตกออกไปแล้วปุ๊บจิตสงบไหม จิตก็จะเข้าถึงความสงบจิตตั้งมั่นไหมตั้งมั่นด้วยสงบด้วยและก็เป็นสมาธิตารงมั่นโดยแท้เพราะอะไรเพราะโยกวิตกมีกาไมิตกนั้นออกจากใจได้ใช่ไหมแต่บางคนเชื่อไหมโยกไม่ออกทํอยังไงก็ไม่ออกขนาดคิดเรื่องทานก็แล้วคิดเรื่องศีลก็แล้วคิดเรื่องสมถะ มนสัสการใจไปในเมตตากรุณาเป็นต้นก็นแล้วแม้วิจัยแยกแยะผมวิปสัสนาญาณก็แล้วไม่หลุดมันยังโกรดอยู่นั่นแหละมันยังเก ล, ยลยเกียดอยู่น่นะยังอาฆาตอยู่นั่นแหละยังกำหนัดยังยินดียังเพิดเพลินยังมัวเมาลุ่มหลงเคยเป็นหรือไม่เคยคือเอาไม่อยู่วิธีแรกใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุใส่ใจในนิมิตอื่นที่ประกอบไปด้วยกุศล คือไปใส่ใจในทานกุศลศีลกุศลสมถารวิปัสนาแล้วเนี่ยวิตกที่เป็นบาปอักษรกรมมันชั่วร้ายที่ประกอบไปด้วยฉันทาโทสะและโมหานั้นยังเกิดขึ้นอีกเธอควรพิจารณาเลยต่อพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นให้พิจารณาโทษของกามวิตกนะพิจารณาตัวของคัเองเนี่ยพิจารณาถึงตัวพยาบาทวิตก พิจารณาถึงตัวอุหิงสาวิตกพิจารณาถึงวิตกอันเป็นบาปเป็นนื้อส่วนที่มีโทษถามว่าราคะมีโทษไหมโทสามีโทษไหมโมหะความมืดบอดมีโทษไหมตัวของเขาเองมีโทษไหมเวลาโทสากเกิดขึ้นในใจมีโทษใช่ไหมมันกุ้มรุมมันเบียดเบียนบีบคั้นจิตใจมันมีโทษและเมื่อมันขยะมันมีเกิดขึ้นมันมีโทษตัวมันมีโทษ ผลมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันมีผลเป็นทุกข์ด้วยมีทุกข์เป็นวิบากอลองดูอย่างนี้นะว่าเวลาอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเกิดกําหนัดขัดเครื่องรุ่มหลงเกิดขึ้นนะตอนนั้นสภาพจิตมันแย่แล้วเช่นโกรธเนี่ยพอปริมาณความโกรธมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บไอ้ที่วักหน้าเนีว้วคิ้วขมวดเนี่ยเนี่ยมันไอ้มันเป็นโทษในด้านนมามธรรมไม่พอนะ ผักมาเป็นหน้าเนียวคิ้วขมวดคางสัน่นเปล่งวาจาชั่วร้ายมองทิศทั้งหลายไปหยิบม้หยิบอาวุธแล้วก็ลงมือจะฟาดจะฟันเขาไปทิมไปแทงไปฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าหนึ่งที่จิตใช่สภาพที่จิตใจ เขามีโทษในสภาพที่จิตใจทั้งเวทนาก็มีโทษในขณะนั้นสัญญาคือความจําก็โดนโทษสาเล่นงานสังขารอื่นก็ถูกโทษสาเผารนจิตตอนนั้นก็ถูกโทษสาเผารนหัวใจหาไทยวัตถุทั้งหลายที่ตั้งทั้งหลายก็เผาเกลี้ยงเลยทีนี้ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ยตัวอกุศลจิตแต่ชั่วรูปทั้งหลายก็ปกคลุมทั่วกรรเชยกายเลยหนึ่งจิตใจสองบุคลิกภาพเสียหายแล้วนะ เสียทั้งสองระดับและระดับจิตใจกับระดับบุคลิกภาพนี่เสียหมดเลยคนโกรธหน้าตาเป็นยังไงไม่น่ารักก็คือหน้าชังด้วยหน้าโกรธด้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นไปลักษณะงยังแล้วนักเข้ามันจะให้ผลนะเสือเส่อมลาบเสือ่อมยศโดนนินทาสนัเสริญประสบความทุกข์ผิดหวังมันจะตามมาอีกเยอะมากแล้วก็อบายทุกข์ติวิบัตินรกตามมาอีกเพียบเลยเนี่ยคือโทษของเขาให้พิจารณาอย่างนี้เวลาโทรสาเป็นต้นเกิดขึ้นนะให้เห็นโทษของเขาอย่างนี้ อุปมาแล้วในขณะที่วิตกเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถระ ง, งับได้ละวิตกเหล่านั้นได้ละกามละโทสะละโมหะเหล่านั้นได้วิตกเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิตำรงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้อุปมาเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวถามว่าหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวมากๆเลยเนี่ยมี มีคนเอานำเอาซากงูซากสุนักหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอเธอจะมีความรู้สึกยังไงอึดอัดไหมเอาซากงูมาพันคอไว้เอาซากสุนักมาพันคอไว้เอาศพมนุษย์เนี่ยเด็กๆนี่นะเอามามัดผูกคอไว้แน่นอึดอัดไหมอึดอัดรังเกียจไหมรังเกียจหรือไม่รังเกียจ แม้ชันใดพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชันนั้นเหมือนกันถ้าเราใส่ใจนิมิตอื่นที่ประกอบไปด้วยอกุศลและที่ประกอบไปด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกที่เป็นบาปากุศลที่ประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะก็ยังเกิดอีกให้เธอใส่ใจไปที่โทษมองไปที่โทษของราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะโทสะเมื่อวันมัน มันเน่าเหมือนกับซากงูมันเน่าเหมือนกับซากสุนัขมันเน่าเหมือนกับศพมนุษย์ที่ผล่คอเธอไว้เมื่อมนตรศิการถึงโทษมันอย่างนั้นแล้วจะอิดหนาละอาใจอยากจะรีบเอาออกทันทีไหมเราเคยคิดพิจารณาถึงว่าบาปอกุศลเนี่ยมันสกปรกมันเหม็นมันเลอะเทอะมันน่ารังเกียจน่าอิดหนาละอาใจจริงๆเวลาบาปมันเกิดขึ้นกับเรา ฉะนั้นเราจะรีบสลัดทิ้งอย่างรวดเร็วโดยชนโดยชนิดที่ไม่ไม่แช่อยู่เหมือนหญิงสาวก็ดีชายหนุ่มก็ดีที่ชอบความสะอาดอย่างมากถ้ามีของเลอะเทอะมาติดตัวจะรีบล้างออกทันทีแม้ฉันใดเธอก็ควรจะใส่ใจถึงโทษของวิตกเหล่านั้นบาปเหล่านั้นตัวมันเองมีโทษยังไงและผลที่ตามมามันจะมีโทษยังไงเป็นต้นเหล่านี้ เมื่อใส่ใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นเพราะละวิตกเหล่านั้นได้นี่คือวิธีที่สองเชื่อไหมว่ามีบางคนเนี่ยใช้วิธีที่สองบาปอกุศสลกรรมมีวิตกเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมออกจากจิตอีกถ้าเป็นเราออกไหมแค่วิธีที่สองไม่ออกได้ยังอยากรู้วิธีที่สาอีกไหม สงสัยเอาไปทุกวิธีแต่ไปไปมาก็ไปนอนอีกก็ไม่ยอมเอาออกอีกอย่างเงี้ยนี่ปัญหาพวกเราเป็นตรงเนี้ยพระกุศาบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกทำไม่เป็นไรหรอกจะบอกให้หมดใกล้จะหมดเวล า, าวันที่ยันเวทอ๋อถ้าภิกษุพิจารณาโทษของวิตตกเหล่านั้นอยู่วิตตกอันเป็นบาปอกุศลธรรม อันชั่วร้ายที่ประกอบไปด้วยฉันทะประกอบไปด้วยโทสะและประกอบไปด้วยโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอไม่ควรระลึกหรือใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบมีสมาธิดำรงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้วิธีที่สมเนี่ย ไม่ระลึกถึงอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นคือไม่ใส่ใจไม่ไปใส่ใจถึงบาปอากุศลนั้นอุปมาเหมือนคนตาดีที่ไม่ต้องการเห็นรูปที่ผ่านมาเช่นเวลามีรูปอะไรต่างๆผ่านมาเราไม่ต้องการเห็นทำไงหลับตาหรือหันหน้าไปทางอื่นที่จะไล่แม้ฉันใดฉะนั้นถ้าวิตตกที่ประกอบไปด้วยอกุศลนะ ที่มันเป็นบาปปกรสนที่ประกอบด้วยฉันทาโทสายและโมหะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเธอไม่ควรละลึกถึงใส่ใจถึงวิตกนั้นเมื่อเธอไม่ละลึกไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นเธอก็จะละวิตกเหล่านั้นได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิตารงมั่นโดยแท้พอละวิตกนั้นได้คําว่าไม่มองเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใส่ใจเนี่ยเขาให้ไปใส่ใจถึงกรรมฐานแทนไม่ใช่ว่ามองหรือคิดถึงเรื่องอะไรแล้ว โทสะมันเกิดคิดถึงเรื่องอะไรแล้วความกำหนัดมันเกิดคิดถึงเรื่องอะไรแล้วราคะโทสะโมหะหรือทิฐิมันเกิดก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นให้มาคิดถึงกรรมฐานถ้าคิดกรรมฐานไม่ได้ให้สาธยายอิตปิโสภควารางสัมมาสัมปุโต ว, วิชาจราสัมปโนยสาธยายดังๆออกมาเลยไม่ใส่ใจถ่านม่ใส่ใจเรื่องอื่นไปเลยมองออกเหมือนหลับตา เวลามันมาบางทีเราละไม่ได้ใช่ไหมไอ้คนนี้เด่นมาเรื่อยไอ้คนที่มันด่าเรา เ, เด่นมาเรื่อยเลยมาตอนนั้นน่ะให้หลับตาหลับตามันอยู่ที่ใจทำงางให้สาธยายเลยอย่างเราที่กรรมฐานก็ไม่แน่นเอา้าท่องท่องบทไหนได้บ้างไหมได้บ้างว่าเกิดมาเป็นพุทธบริษัทกับเขาสาธยายคำสอนพระเจ้าอะไรได้บ้างที่สาธยายเป็นประโยชน์ตรงนี้บางคนท่องอะไรไม่ได้เลยเนย อาพุโทโธอย่างเดียนงั้นท่องนัตพระเข้ า, าถึงสาทยายพระปริตวรเยอะๆเนี่ยเพราะว่านี้แหละเอาไว้เวลาเวลาคิดถึงเรื่องอะไรแล้วบาปมันเกิดวิตกมันเกิดอกุศลมันเกิดก็ไม่คิดเรื่องนั้นเพราะไปคิดถึงวิตกแล้วมันละไม่ได้พอคิดทีไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปเชื่อมเรื่องนั้นต่อเนี่ยก็หยุดคิดเรื่องนั้นเหมือนเหมือนเราไม่ต้องการเห็นรูปที่ผ่านมากระดับต า, างี้เป็นต้น พอมอง อ, อ, อย่างเชื่อไหมว่าขนาดคนบางคนใช้วิธีที่สามก็แก้ไม่ได้ท่องไปเหอะขนาดท่องท่องทำวัดสวดมนต์เนี่ยท่องไปไอ้หน้าของคนที่เราโกรธมันก็ยังแวบมาอยู่นั่นแหละขนาดท่องนะผ้าผู้มีผ้าภาคเจ้าเป็นพระอรหันไอ้หน้ามันแวบ หยุดทุกทีเลยเคยเป็นไหมสาทยายยังไงก็ไม่หลุดสาธยายังไงก็ไม่หลุ ด, ยยงงลดนิพพงบอกว่าจิตยังอ่อนแออยู่ยังไม่แข็งแรงถ้าภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงวิตตกนั้นวิตกที่เป็นบากปอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทาโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอควรพิจารณาอันนี้เอาแล้วเนี่ยให้พิจารณาเหตุเกิดของวิตตกเหล่านั้น เหตุเกิดของวิตกเหล่านั ally, like to crest, to like to to airline, ้นคืออะไรเหตุเกิดของกามวิตกเหตุเกิดของพยาบาทวิตกเหตุเกิดของวิหิงสาวิตกเอ่ออะไรเป็นเหตุเกิดทำให้ความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดทำให้เครียดทำให้โกรธอะไรเป็นเหตุเกิดทำให้เรามัวเมาลุ่มหลงหรือคิดเบียดเบียนเขาอะไรรู้ไหมเป็นเหตุเกิด สัญญาวิปลาสไม่รู้อีกสัญญาวิปลาสคืออะไรความจำหมายว่าคาดเคลื่อนเช่นไม่งามไปจำว่างามอ่ะของไม่เที่ยงแต่เราไปจำว่ามันเที่ยงของที่เป็นทุกข์เราไปจำว่าเป็นสุขของที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่เราไปจำว่ามันเป็นอัตตาตัวตนนี่ก็เรื่สัญญาวิปลาสพวกเราไม่ใช่มีสัญญาวิปลาสอย่างเดียวนะ คำว่าวิปลาดกับวิปลาดนี้อันเดียวกันไหมถามไอาจารย์นเหมือนอันเดียวกันไหมวิปลาดพวกเรามีสัญญาวิปลาดไหมมีไม่มีของที่ไม่งามแต่เราไปเห็นว่างามมีเยอะไหมผมงามขนงามเล็บงามฟันงามหนังงามเนี่ยเราเคยเคยคิดไหมว่าฟันมันงามฟันนี่งามหรือไม่งาม ไม่ได้งามอะไรเลยแต่เราเราไปเห็นงามได้ลองคิดดูเวลาเรารักเพศตรงข้ามเรารักอะไรเขารักผมเขาใช่ไหมหรือรักขนหรือรักเล็บเขาหรือรักฟันหนังเรารักเรารักในรูปประขันเขาทั้งหมดเลยเปล่ารักทั้งหมดเลยไหมหมดไม่หมด ถ้าเขาถ่ายออกมาอุจจาระรักได้วยไหมทาไมไม่รักอ่ะก็ออกจากรายนั่นน่ะงั้นถ้าใครบอกรักเดี๋ยวเราถามก็ตรงๆถามคุณรักทั้งหมดเลยไหมถามจริงช่วยเซ็นเอ็มโหน่อยได้ไหมเซ็นสัญญาหน่อยได้ไหมใช่ไหมแล้วลองอ้วกออกมาเลยเนี่ยรักไหมรักไหมรักไหมเนี่ยรักไหมโอเคในนั้นมันมีทั้งสเลตน้ําลายน้ํามูกใช่ไหมอุจจาระปัสสาวะรักด้วยไหม มันอยู่ในกายนี่แหละโอเคไหมถามเ้าอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาจะเขาจะรักเราจริงไหมเราไม่บอกตั้งแต่แรกมีเผอกายเผอใจจนขนาดนี้แล้วบางคนก็โยมไม่เคยถามเลยใช่ไหมเคยถามโยมผู้ชายไหมเอามานึกถึงโยมพ่อยมแม่เนี่ยเอามาก็นึก ตอนที่โยมพ่อเนี่ยฟันหลุดหมดปากแล้วมาก็เห็นนี้โยมแม่เป็นนอนกับโยมพ่อได้งไงไม่กลัวหรือจนึกอย่า ง, น ง, างนเนี้ยจริงๆริงน่ากลัวนะดูยัยงไงก็ไม่งามได้แต่เขาอยู่ด้วยกันได้เวลานอนก็นอนด้วยกันแล้วรักกันด้วยนะมาก็นั่งงงแล้วลรักยังไง เออรักได้อย่างมองได้ยังไงไ อ, อ้สัญญาวิปลาดนี่เป็นเรื่องแปลกมากแกรักงั้นแ ก, กมกั่งยนะิงเออคนรักเรามองอยังไงก็ไม่งามใช่ไหมแต่เออเขาไปรักได้ฉั้นถ้าแต่รักเนี่ยต้องรักทั้งหมดใช่ไหมแต่ความวิปลาดของของไม่งามแล้วไปเห็นว่างามนี่เป็นทิฏฐิวิปลาดนะ ไม่งามไปคิดว่า ง, งามนี่เป็นจิตตะวิปราสนะไม่งามแล้วไปจําว่า ง, งามนี่เขาเรียกสัญญาวิปรัสนะเราถูกความจำเนี่ยไปจํากันไว้ทีนี้พอไปจําไปคิดด้วยทิฏฐิแล้วก็เดี๋ยไปคิดด้วยจิตแล้วก็ไปเห็นด้วยทิฏฐิเนี่ยไอ้นี่มันมีปัญญาสิความจําเนี่ย ไอ้ตัวสัญญาที่ยังเป็นวิราค่าสัญญาหรืออนิจจสัญญาเป็นต้นได้หรืออสุภาษสัญญาจะเกิดขึ้นได้มันต้องให้ปัญญามามาวิจัยก่อนเมื่อปัญญาไปวิจัยเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัญญาจึงไปจําที่ปัญญาเน่ยวิจัยเรียบร้อยมันถึงจะมีอสุภาษสัญญามันจึงจะจําหมายว่าไม่งามใช่ไหมถ้าให้สัญญาอย่างโดดๆที่ยังปัญญาไม่เกิดก็ไปจําว่างาม หลอกลูกคนนี้หน้าตาสวยนะลูกนะหน้าตาหล่อนะหน้าตาดีนะเนี่ยสัญญากะจำปืดปืดปืดปืดจำมาก็นึกว่างามจริงแต่ถ้าวันใดว่าหนึ่งปัญญาไปวิจัยแยกแยะแยกแยะแยกแยะองค์ประกอบทั้งหมดมันเห็นแล้วตัวเนี้ยมันไม่งามจริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดจริงๆผมเนี่ยปักที่หนังศีรษะเนี่ยแล้วมันก็ดูดเอาเลือดบ้างน้ำหนองบ้างใช่ไหม น้ำเลือดน้ำหนองบ้างแล้วก็ไขมันเป็นต้นบ้างเนี่ยเข้ามาหล่อเลี้ยงกลายเป็นผมที่มันยาวออกมาเนี่ยผมจะงามได้ยังไงเหมือนตําลึงก็ดีผักบุ้งก็ดีไปปลูกไว้ตรงที่ถ่ายอยุจจระแล้วมันก็ดูดของที่สกรปรกขึ้นมาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันจะไปงามได้ยังไงผมมันไม่งามแน่นอนเวลากินอาหาร รักคนมากแต่ผมมันหลุดลงในข้าวหรือหลุดลงในที่เราจะกินในอาหารนั่นะ น, น่กินลงไหมเนี่ยไม่ลงแล้วใช่ไหมล่ะนี่บ่งบอกว่าไม่งามแต่ว่าวิปริตมณสิการของหมูสัตว์นี่แหละไปเห็นว่างามไอ้การเห็นว่างามนี่แหละราค่าที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญแล้วตอนนี้ โทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเพราะถ้าสิ่งที่เห็นว่างามเห็นว่าชอบเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปขึ้นมามันเครียดแล้วโทสะก็เกิดซิหรือที่เราเห็นว่างามเห็นว่ามันดีทั้งหลายเหล่านี้เกิดไปไม่ทําหรือเกิดมาประทุษร้ายเราขึ้นมาเราอยากจะเบียดเบีย น, ยนอยากจะประทุษร้ายเขาขึ้นมาแล้วเนี่มันเป็นแบบนี้ฉะนั้นจะบอกว่าถ้าภิกษุไม่ระลึกไม่ใส่ใจเนี่ยมีตกที่ประกอบไปด้วยอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหัน เธอควรพิจารณาเหตุเกิดของวิตกเหตุเกิดก็คือสัญญาวิปลาสเมื่อเธอพิจารณาเหตุเกิดของวิตกย่อมละวิตกได้วิตกก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมันสงบเป็นสมาธิตำรงตั้งมันอุปมาเหมือนคนเดินเร็วเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้าการะไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็จะค่อยๆเดิน เขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราควรจะค่อยๆเดินไปทาไมถ้าอะไรเราควรจะยืนไปต้นอรเนี้ยรายละเอียดตรงนี้คืออย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราถ้าเรามานัสิกานะถ้าเราไปมนัสิการถึงไม่ไปไม่ใส่ใจด้วยญาณปัญญาจริงๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างถ้าเราไปคิดอย่างลวกๆเราก็จะเห็นว่างามหรือคิดอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่ามันเที่ยงคิดอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่ามันสุข คิดอย่างผิวเผินว่าจะเป็นอัตตาตัวตนแต่ถ้าวิจัยใช้ญาณปัญญาเข้าไปวิจัยจริงๆรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วกระแสชีวิตเนี่ยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยวิตกเหล่านั้นมันก็จะคลายตัวคำถามเราจะโกรธทําไมอ่ะแล้วโกรธผมใช่ไหมโกรธขนใช่ไหมโกรธเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อนในกระดูกไตหัวใจตับลองมาวิจัยดูจริงๆนี่หมดเลยไม่รู้จะโกรธไปทำไมนะ ถ้าวิจัยนะถ้าไม่วิจัยนี่ไอร้รวมๆนี่แหละไอร้รวมเป็นคนๆ น, นี้แหละที่โกรธแต่ถ้าวิจัยแยกแยะองค์ประกอบทั้งหมดเรียบร้อยเลยเท่นี้อภิบรารสุดท้ายถ้าภิกษุนั้นใส่ใจที่ตั้งและเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้นแล้วแต่วิตกที่เป็นบาปอคุณลกษรกรมมันทั้งหลายเหล่านั้นที่ประกอบด้วยฉันทาโทสะโมหะก็ยังเกิดอีกเธอควร น, นี่วิธีสุดท้ายแล้วนะ ใช้ฟันกดฟันใช้ฟันกดฟันกดตามไปด้วยในยมเนี่ใช้ฟันกดฟั น, น, น, ใ, ชฟ น, ฟนใช้ลิ้นดุนเพดานไว้แน่นคํานั้นแปลว่าใช้กุศลจิตข่มอกุศลจิตใช้กุศลจิตข่มอกุศลจิต เมื่อเธอทำเช่นเช่นนั้นก็จะละวิตกได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดารงมั่นโดยแท้เพราละวิตกได้เดี๋ยววิธีการสท้ายจะบอกวิธีวิธีนี้สำคัญที่สุดอันนี้แปลว่าเรานวดมาสี่วิธีนะวิธีแรกระลึกถึงใช่ไหมถ้าพวกกาวิตกเกิดพยาบาทเกิดบาปเกิดวิงสาเกิดเนย ให้ระลึกถึงเหตุที่ประกอบไปด้วยกุศลก็คือให้ไประลึกถึงทานกุศลระลึกถึงศีลกุศลระลึกถึงสมถะและวิปัสนานอกไปจากอารมณ์มันเป็นที่ตั้งให้อกุศลวิตกเกิดที่ประกอบด้วยฉันทาโทสาและโมหะเช่นเวลาเราเห็นรูปสวยๆเสียงเพราะๆเป็นต้นเหล่านี้ยก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นกลับไปคิดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาเสียถ้าทําอย่างนั้นมันยังละไหมทำไปแล้วแล้วเราเล่า มันละได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันเยลลืมนะมันก็ละได้พอสมควรนะวิธีแรกเนะี่ยเอา้าวิธีแรกยังไม่สามารถชนะไม่สามารถถอดลิ่มในใจออกพวกวิตกทั้งหลายบาปออกได้ก็ใช้วิธีที่สองพิจารณาโทษของวิตกโทษของบาปอกุศลว่าวิตกเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นบาปเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมันทําลายความดียังไงมันทําลายความดีมันมีโทษแก่ตัวมันเองด้วย แกผู้อื่นด้วยแล้วมีทกเป็นวิบากด้วยมีอบายทุกติวิบากในรกด้วยพิจารณาอย่างนี้มันก็ได้และระดับที่2เนี่ยแต่บางทีมันยังถอนไม่ได้มันยังละไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีที่สวิธีที่สก็คือไม่นึกถึงวิตกแต่ให้นึกถึงกรรมฐานแทนหรือสาธยายสาธยายสาธยายธรรมะสาธยายทรงจําคําสอนเนี่ยใช้วิธีที่ส ม, มันก็ยังไม่เสด็จนะ ให้ใช้วิธีที่4ก็คือพิจารณาเหตุเกิดของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดจากสัญญาวิปลาสให้พิจารณาว่ารูปที่คิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นบุรุษเป็นสตรีมันเกิดเกิดจากสัญญาวิปลาสเช่นเราไปเห็นว่าเป็นพ่อแม่ปู่ตายายายเป็นใครก็แล้วแต่เนะี่ยมันเกิดจากจําวิปลาสแท้จริงมันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมเนี่ยไปพิจารณาอย่างนี้อ่ะมันคลายได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่หมด แต่แปลว่าตอนนั้นน่ะกุศลกุศลเริ่มเกิดพอสมควรไหมถ้าเป็นนักมวยก็นวดจนเริ่มน่วมแล้วมันเริ่มจะแรงมันเริ่มหมดแล้วบาปเนี่ยอกุศลมันเริ่มหมดแล้วบาปมันเริ่มหมดแล้ววิธีสุดท้ายที่ว่าอบที่ว่าใช้ฟันกดฟันลิ้นดุนเพดานใช้กุศ ล, ลจิตขม่มอกุศลแจิต อุปมาเหมือน ก, นกันกับคนที่แข็งแรงเนี่ยจับคนที่อ่อน อ, อ่อนแรงกว่าแล้วก็บีบกดคอนไว้ถ้าเป็นนักมวยปั้มเนี่ยเราปั้มมาตั้งนานแล้วปั้มปั้มป้เรารู้ไอเจ้ า, านี้แรงมันหมดแล้วเหลือน้อยแล้วใช้วิธีสุดท้ายเลยเนียวิธีสุดท้ายก็คือกดคอนลงเยอะกดมันลงติดกับพื้น <c oughs> ทีนี้การกดศีรษะลงเนี่ยนะ ก็คือลักษณะที่บอกว่าภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเหมือนกับบีบรัดคอไว้ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าภิกษุนั้นใส่ใจที่ตั้งของเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้นแล้ววิตกเหล่านั้นมันยังมีแรงมันยังเกิดอยู่วิตกที่ประกอบด้วยฉันทาโทสารและโมหัยังเกิดอีกเธอควรใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นดุลเพดานไว้แน่นคือใช้กุศลจิตขม่มอกุศลจิตเผาอากุศลจิต เมื่อเธอทำอย่างนั้นวิตกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็หมายความว่าใช้กุศลจิตข่มกุศลจิตเผาอากุศลจิตด้วยการประกอบด้วยความเพียนเนี่ยองเสียเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีบอกจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที ถ้าไม่สามารถข่มบาปอักษรวิตกเหล่านี้ได้จะไม่เปลี่ยนียาบทอย่างเด็ดขาด <c oughs> ถ้าเป็นพระเจ้าจะไม่ทำลายวันหลังนี้เออเ อ, อ, อันนี้ใช้ใช้แบบประเภทที่ว่าเรารู้แล้วว่ามันอ่อนแอแล้วตอนนี้ยม กิเลสตัวไหนที่มันแข็งแรงมากที่สุดเนี่ยยอมเคยนวดมันมาตามลำดับแบบนี้ไม่ใช้ตั้ง5้าวิธีหวิธีสุดท้ายเห็นว่ามันเริ่มเพียงพ้มแล้วก็กดแล้วก็เอาอยากเกิดดีอย่างเช่นโกรธไม่มีปัญหาอยากโกรธใช่ไหมถ้าตราบใดมันไม่หลุดไปจกักไม่ลุกจากที่นั่งหรือบัลลังก์ดีเอาทโกรธไปนั่งสู้กับมัน ใช้กุศลจิตข่มอากุศลจิตฝึกมาเลยมันจะมาขนาดไหนก็เดินความไม่โกรธเดินเมตตาอย่างติดต่อและต่อเนื่องมันจะหงุดหยิดยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมเหมือนนั่นแหละเหมือนคนที่มีแรงมากกว่าก็กดคอกดศีรษะไว้จนมันรู้สึกว่ามันยอมแล้วยอมแล้วจะมันร้องออกมาอย่างงั้นเนี่ยทำได้ไหมเล่าเคยทำวิธีนี้ไม่ยอมงั้นเอาไปทำเลยนะ ไม่ใช่เรียนทิษสีแล้วบอกโอวิธีที่ห้าไม่เอาแลรวกลัวโทสะมันตายใช่ไหมล้วกลัวโลภะมันตายใช่ไหมล้วกลัวกิเลสตายหรือเปล่ากลัวไม่กลัวกลัวใครตายกิเลสต้องตายถ้าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้จริงๆกิเลสตายเลย ทีนี้เอาสรุปตรงนี้ก่อนก็คือนี่แหละถ้าเราใช้ทั้งห้าวิธีนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าทังบอกว่าถ้าใช้กุศลจิตข่มอากุศลจิตเผาเอากุศลจิตโดยประกอบไปด้วยความเพียรสี่อย่างแม้ร่างกายเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกและเลือดเนื้อนในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่หยุดความเพียรไม่เปลี่ยนียาบทจนกว่าจะได้บรรลุธรรมะจนกว่าจะได้บรรลุธรรมะ เมื่อภิกษุใส่ใจในนิมิตในอารมณ์นั้นแล้ววิตกอันเป็นประกอบด้วยอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทาโทสารและโมหาย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใส่ใจนิมิตอื่นที่ประกอบด้วยกุศลนี่สรุปนะจากนิมิตเหล่านั้นเธอก็จะละวิตกเหล่านั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้นี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่2เมื่อพิจารณาหินโทษของวิตกเหล่านั้นแล้วเธอก็จะละวิตกได้ วิตกเหล่านั้นก็เกิดไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้นี่เป็นวิธีที่สองวิธีที่สเมื่อภิกษุไม่ระลึกไม่ใส่ใจถึงการมวิตกเหล่านั้นเป็นต้นเธอก็จะละการมวิตกเหล่านั้นเป็นต้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้นี่คือวิธีที่ส วิธีที่4เมื่อภิกษุพิจารณาเหตุเกิดของวิตกที่เรียกว่าสัญญาวิปลรราสเธอก็จะละวิตกนั้นได้วิตกก็จะเกิดขึ้นอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดำรงมั่นโดยแท้พอละวิตกเหล่านั้นได้นี่วิธีที่4วิธีที่5เมื่อภิกษุสูนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดุลเพดานไว้แน่นใช้กุศลจิตข่มอากุศลจิต เผาอกุศลจิตเผาบาปเผาราคาโทสะโมหะได้แล้วเธอย่อมละวิตกได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้พระเจ้าบอกภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชํานาญในวิถีทางแห่งวิตกชํานาญทางของบาปนั้นบาปมันจะมามุมไหนมีวิธีแก้ได้หมดพระเจ้าบอกว่าเนี่ย ถ้าเธอจําอุปมาจําวิธีการทั้ง5อย่างนี้เอาไปใช้เอาไปฝึกให้ติดต่อและต่อเนื่องบาปกระเจนบาปกระจายบาปหนีบาปตายทันทีอกุศลอยู่ไม่ได้อันตรธานทันทีเธอหวังวิตกเ้าบอกว่าผู้ชํานาญในทางแห่งวิตกเธอหวังวิตกใดก็จะตึกถึงวิตกนั้นไม่หวังวิตกใดก็จะไม่ตึกถึงวิตกนั้น ตัดปัญหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดถึงทุกได้เพอละมานะได้โดยชอบแปลว่าอะไรรู้ไหมอตรงนี้สรุปตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าตรงเนี้ยคืออย่างนี้ถ้ายอมอยากจะให้กามวตกเกิดยอมก็คิดยังไงยอมก็คิดถึงสวยงาม ราคามันก็เกิดถ้าคิดตรงกันข้ามมันก็ไม่เกิดเห็นไ้มกรณีอย่างนี้เหมือนกันจะต้องการอยากจะโกรธใครลองไปใส่ใจถึงความไม่ดีของเขาเดี๋ยวความโกรธมันก็เกิดแต่ถ้าหากว่าเราใส่ใจไปในเมตตาเป็นต้นเหล่านี้เมตตามันก็เกิดสรุปตรงนี้ก็คือว่าวิธีการทั้งห้าประการเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอรู้ชนานาญทางเดินของวิตกเหล่านี้จน ช่ำชองแล้วเนี่ยเธอก็จะสามารถละบาปได้ละวิตกเหล่านั้นได้ไม่ยากพอจะประเด็นได้ไหมพอพระเจ้าแสดงอย่างนี้เสร็จปุ๊บภิกษุเหล่านั้นก็มีจิตยินดีชื่นชมในภาษิีของพระเจ้าแล้วก็มั่นใจเกิดความอัศจรรย์แกล้ า, ลาบอกว่ามั่นใจว่าวันนี้แหละเราจะจัดการการมาวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาววิตกให้ได้เขาคิดแบบนีนะ้บางคนว่าเราจะต้องจัดการให้ใดวันนี้ให้ได้ เามนตสิการกันขนาดนั้นแล้วก็ขนขวายในการที่จะไปล่า บ, บาปอ ก, กาศลกณ์รรมมันชัวช่วช้าลามบกเหานั้นนั้นพุทธบริษัทในาศาสนาของพระคินาเจ้าจึงไม่กลัวเพราะพระเจ้าบอกวิธีการไว้หมดนนไม่กลัวนะพวกเรากลัวไหมโอเคนี่จบแล้วเนี่ยเหลือเวลา30สนาทีให้ถามปัญหามีใครยัง ไม่ชัดเจนในสูตรนี้บ้างไหมมีไห ม, มไม่มีเลยนะมีใครอยากถามปัญหาสดๆไหมไม่มีเลยอ้าวไม่มีเลยโย ม, มคมรับหนึ่สองหนึ่งสองนี่ก็ไม่ได้ ไม่รู้คอสนี้เป็นอะไรกับไม้ <laughs> มไคุณป้อมค่ะดูไม้หน่ยค่ ะ, คะเอาคำามแรกก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแต่เป็นข้อสงสัยของโยคยีค่ะคงจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกถามว่าแม่ชีเนี่ยชุดขาวกับชุดสีน้ำตาลต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะอ๋อเปแม่ชีสีชมพูอ๋อเป็นแม่ของพม่าเขาพม่าก็เรียกสยาเรียของไทยเราเรียกแม่ชีก็ ก็ต่างกันตรงชุดนั่นแหละสองก็คือการรักษาศีลสยาเรก็ถือศีลสิบแต่ไม่ชีเราถือศีลปรือไม่ชแต่ไม่ทั่วไปทั้งบทนะที่บางสำนักเนี่ยสยามเลบางสำนักก็จะถือศีลสิบข้อก็มีไม่ไม่ถือเงินแลยทองเลยจะเป็นอย่างไรแต่ของไทยเราก็ถือศีลแป แต่บางครูบางทีก็อาจจะถือศีลสิบก็ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าจริงๆรูปแบบก็คือว่าของพม่าเขาใช้สีชมพูของไทยใช้สีขาวเยอมใช้สีขาวเรื่องสีไม่แปลกจะใช้สีไหนก็ได้ใช้สีไหนก็ได้แต่จริงๆก็คือเรื่องการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดก็คือความเข้าใจในเรื่องของการมาฝึกให้ดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญารู้และเข้าใจอย่างท่องแท้โดยไม่การ ปฏิบัติในศีลโดยไม่งม ง, งายรู้แล้วเข้าใจวัตถุประสงค์การรักษาศีลที่แท้จริงที่สำคัญที่สุดเจ้าค่ะมีข้อสงสัยว่าป่าหิมพานปัจจุบันอยู่ประเทศอะไรค่ะท่าสันท่าสัาสนนิฐานตามที่นักวิชาการเขาว่ากันเขาบอกว่าเนี่ยแถวทิเบตเนี่ยแถวเนปาลแถวทิเบตในแถวนี้าก็ว่าอย่างนั้นเลทันนิฐานกันว่าป่าหิมพาน สถานีฐานอย่างนั้นแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็น่าจะแต่ถ้ามองมองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปที่อินเดียเนี่ยถ้ามองไปที่เทือกเขาหิมาลัยทั้งหลายอะไเงี้ยแถบนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วก็น่าจะน่าจะน่าจะเชื่อได้ถ้าแต่แต่สมัยพระถังซัมจั๋งท่านจาริกมาชมพูทวีปเนี่ยท่านก็ต้องเดินอ้อมเทือกเขาฮิมาลัย เดิน้อมพราะท่านเดินทางเท้าในยุค ก, ก่อนเนี่ยพระที่มาจากริกสแสวงบุญมาจากจีนมาที่อินเดียต้องเดินทางกันมาเนี่ยตายไม่รู้เท่าไหรน่นะมาร้อยเนี่ยจะรอดรอ ด, อดสักห้าคนหคนแค่นั้นเองได้มากก็ตายมาทางเรือก็เหมือนกันมายุคหลังๆมาทางเรือพอมาทางเรือก็โอ้โหอ้อมโลกเลยอ้อมลงที่ผ่านมาก็จะถึงไทยย้อนกลับไปใหม่ทางมหาสมุทร มันลำบากขนาดนั้นมีเรื่องเล่าไว้มีเรื่องเล่าว่าเออเคยเคยอ่านหนังสือเจอประวัติาศาสตร์ช่วงตอนนั้นน่ะมีพระจีนแล้วก็สมณเณรจากจีนเนี่ยล่องเรือมาก็คือจะไปที่ชมพูทวีปนี่แหละพอมาระหว่างทางก็มาเจอขึ้นลมทะเลแรงเนี่ยก็เกิดเรือล่มเรืออับบาง ทีนี้ก่อนเรือที่ค่อยๆจมลงเนี่ยเขามีเรือลำเล็กๆเรือลำเล็กๆ30สิบลำสี่สิบลำลอยไปเขาพระนี่ก็ให้ยอมขึ้นเรือก่อนขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ น, น, น, นไปแต่นี้น่ะเข้าน่ะเข้าแต่นี้เรือมันก็เต็มพอดีใช่ไหมก็เหลือแต่พระนี่แหละสามสี่รูปว่นั้นเถอะคนที่บังคับเรือที่เป็นนายท้ายเรือก็บอกว่าจะยอมตายไปกับพระนี้ด้วยพระท่านก็บอกว่าอย่าเลย ยมจงช่วยเหลือคนที่ที่ลอยลอยคออยู่ตรงนี้พาเข้าเข้าฝั่งเถอะแล้วท่านก็บอกว่าอาตมาเองเนี่ยชื่นใจมากที่ได้ได้ช่วยได้สละชีวิตอย่างนี้แล้วก็บอกด้วยนะว่าตนเองเนี่ยปรารถนาบำเพ็ญบรารมีบำเพ็ญบารมีให้ให้ชีวิตเป็นทานว่าไงให้ความปลอดภัยในชีวิตและตัวตนี้ก็ยอมจมลงไปในทะเลอย่างนี้เป็นตน้น นั้นเราจะเห็นว่าในยุคก่อนคนที่จะไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้ความยากลําบากแล้วก็ตายกันไม่รู้เท่าไหร่แม้แต่พระไทยเรานะที่ไปสืบพุทธศาสนาที่ลังกาก็เหมือนกันไปกันไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดที่เรือไปอับปรางกลางทะเลมหาสมุทรอินเดียเนี่ยโอ้ลมตายกันไม่รู้เท่าไหร่ตอนที่เอามาไปที่ศรีลังกาเนี่ยเอามานึกตรงนี้แหละอามาไปเดินขึ้นยอดเขาสิริปาทะ ลอยฝ่าพระบาทพุทธเจ้าที่เรียกอดัมพิกเนี่ยสูงมากอมาก็ป่วยใช่ั้ยก็คิดในใจก็คุยบอกคณะที่ไปกันสักสิบกว่าคนนี่แหละมาก็พูดว่าพุทธเจ้าบมเพนบารมีอย่างไรเลยเป็นต้นก็นึกในใจนะว่าต้องเดินเป็นคื น, คนเลยต้องระยะเฉพาะบันไดก็ปลาเกือบเจ็ดเจ็ดพันกว่าขั้นขนาดนักเดินเขายังร้องเลยยังนึก มาก็นึกในใจก็ค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปถ้าใครอยากจะไปเดินขึ้นตรงนี้นไปซ้อมที่ตรงนี้ก่อนที่ลบบุรีเนี่ยเขาวงพระจันทร์เขาวงพระจันทร์พยายามประมาณสามพันกว่าขั้นนะมาไปฝึกเดิ น, นแล้วก็เดินสักสองสาวันแล้วจะสองสามครั้งสีครั้งห้าครั้งไปเดินเถอะแล้วก็ไปอามาเป็นนึกถึงไงเลยไหมถึงไงถึงถึงมีกําลังใจในการเดินขึ้นไปเดินตั้งแต่เที่ยงคืนไปในเดินไปเรื่อยๆไปถึงบนนั้นก็สว่าง คือคือในขณะเดินนึกถึงพระเถระในสมัยอยุธยาเวลาท่านเดินทางแล้วนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไปในการที่จะไปไหว้ลอยป่าพระบาทพุทธเจ้าที่รังกาเนี่ยลองคิดดูแค่นั่งเรือไปก็ต้องใช้เวลาทั้ง4เดือนกว่าแล้วบางทีก็ไปตายระหว่างทางแล้วยังต้องเดินเท้าบ้างนั่งในเท้าในยุคนั้นเนี่ยแล้วกว่าจะเดินจากข้างล่างขึ้นกรางบนใช้เวลาเป็นเดือนบางคนก็โดนไข้ป่ากินตายองนี้เอามานึก ย, ยุคเราสบาย เราทางก็สะดวกเพียงแต่ว่าต้องเดินขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยท่านั้นเองมาค่อยๆเดินก็ระลึกถึงวัวเจ้าค่อยๆเดินไปถึงจริงๆให้คําว่าเหนื่อยใจจะขาดเนี่ยมาเข้าใจแล้วมันเป็นยังไงเหนื่อยจริงๆอากาศจะหนาวมากแต่ว่าความร้อนก็ผลักออกมาหนาวก็หนาวบอกโอ้โหพอขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่า ทุกก้าวที่ก้าวขึ้นไปเนี่ยมีความหมายมากมันค่อยๆกระเถิบกระเถิบขึ้นไปแล้วมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีเนี่ยนะแต่ใจเนี่ยน้อมมาทุกก้าวที่เดินทุกก้าวที่เดินเนี่ยถวายเอามาคิดในใจว่าถ้าขาขาดถ้าขามันหักก็จะค่อยๆเกาะขึ้นไปนะเออยังไงก็ไม่เป็นไรล็อกถ้าตายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนึกอย่างเงี้ยนะ ตายก็ถือว่าเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาถ้าการเดินขึ้นครั้งนี้เราตายในระหว่างทางชื่อว่าเป็นการย่นสังสารวัตมันคม้มใช่ไหมถ้าย่นสังสารวัตให้มันน้อยลงเนี่ยให้มันสั้นลงเนี่ยมันคุ้มนะทำานึกอย่างนี้ก็เดินเลยค่อยๆเดินไปเดินไปเดินไปแล้วเหนื่อยจริงไม่เชื่ อ, อายอมลงไปไปเรนดูลองไปเดินดูสักครั้งนึงไอ้ที่ว่าแน่ๆลงไปเดินสักครั้ง เออแล้วแล้วพอลงมาเนี่ยกว่าจะลงมาถึงเนี่ยก็มาฉันเทนข้างล่างตรงโรงแรมเล็กๆแล้วมองขึ้นไปนี่ตกใจเลยนะเฮ้ยขึ้นไปได้ยังไงทุกคนกลับมาก็นั่งคุยกันได้ขึ้นได้ยังไงโอ้โหดีน้ําขึ้นกลางคืน น, นีถ้ากลางวันมองเห็นอย่า ง, งนเงี้ยโหยุงเลยขึ้นกลางคืนไกลจริงๆ เจ้าค่ะขัดจาบบทสวดมนต์นะเจ้าค่ะอันนี้สง์ข้อที่เจของการเจริญเมตตาไฟยาพิษอาวุธไม่สามารถทำลายผู้เจริญเมตตาได้เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์หรือว่าเพราะว่ามีกายทิพย์คือคืออย่างนี้นางอุตรานันทมาตาเคยได้ยินประวัติไหมได้ยินไหม สมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยถ้าใครมีลูกสาวเขาก็จะปรารถนาว่าขอให้เป็นเหมือนนางอุตรานันทามาตาหรือนางคุชุตตาใช่อุบาสิกานางคุชุตตาเนี่ยเป็นหญิงข้อมแต่ฉลาดมีปัญญามากมีปัญญามากในคัมภีร์อิติวุตกาที่ผลงานเธอเนะส่วนนางอุตรานันธมาตาเนี่ยเป็นลูกของคุณณเศรษฐี คื อ, คอพ่อแม่ของเธอแต่ก่อนเป็นคนยากจนเป็นลูกจ้างเขาด้วยซ้าไปเป็นคนยากจนมีอยู่วันหนึ่งเจ้าเนี่ยคนจนที่ชื่อบุญนาเนี่ยก็ไถหัวใช้หัวก็ไถนาอยู่ในวันนั้นในวันนั้นภาษารีบุตรเนี่ยออกจากมิโรธสมาบัิแล้วก็ดำลีว่าจะไปโปรดใครดีนอก็มาที่เจ้าบุญนานี่แหละ พอมายืนอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเจ้านี้ไม่มีอาหารแต่มีแต่ไม้ชําระฟันแล้วก็น้าล้างหน้ า, าก็าไปถวายพระเถระให้พระเถระเคี้ยวไม้ชําร l ฟันแล้วก็บ้วนปากแล้วก็น้อมน้อ ม, น, อมน้อมถวายด้วยด้วยใจที่เลื่อมใสแล้วพระเถระก็เลยเดิน เดินไปบิณฑบาตในระหว่างที่เดินเดินไปนั้นนะ่ะก็ไปเจอภรรยาของเจ้าบุญน้าเนี่ยกำลังจะเอาอาหารมาส่งสามีพอเห็นอย่างนั้นแล้วเธอก็คิดทันทีว่าบางวันเรามีอาหารเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาแต่ไม่มีอาหารบางวันเรามีอาหารแต่ไม่มีศรัทธาแต่วันนี้ศรัทธามีอาหารมีและพระก็มีด้วยจากนั้นเลยเนี่ย ก็น้อมอาหารทั้งหมดที่จะไปให้สามีถวายพระเทรลาหมดเลยน้อมถวายพระเทรลาจะรับครึ่งหนึ่งก็ไม่ยอมบอกว่าขอให้อนุเคราะห์โยมเนี่ยในทุกๆอัตภาพเธออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พระท่านก็ท่า น, นก็นำอาหารนั้นแล้วก็ท่านเธอก็ที่ฐานว่าขอให้สมปรารถนาพระเทรลาก็ให้พรเมว่อขอให้สมปรารถนาเธอก็ต้องกลับไปบ้านใหม่ไปทาอาหาร่้ยทีนี้ เจ้าบนน้าน่ก็เหนื่อยเต็มทนแล้วก็เลยไปนอนรอหมดแรงแล้วทำงานเนี่ยสามีเออภรรยาก็มาสะสายเลยทีนี้ทีนี้พอมาถึงเธอฉลาดเป็นผู้หญิงฉลาดเนีเธอก็ใช้เสียงพูดมาก่อนบอกคุณพี่เจ้าขา่างนยมเวลาคุยกับสามีพูดอย่างนี้ไหมทำริงพูดแบบนี้ไหมพูดเพราะไหมหรือหรือเพราะแต่วันแรก เนี่ยพูดอย่างเงี้ยคือคนฉลาดเพราะรู้ว่าสามีในหิวข้าวใช้คําพูดเพอ้พอเพาะแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังให้โมทนาด้วยกันสามีก็บอกโมทนาด้วยเพราะตนเองก็คิดอย่างนี้ก็เลยน้อมบุญโมทนาแล้วก็ทานอาหารด้วยความปลื้มใจแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนนุนตักภรรยา ท, ท, ท, ที่ต้นไม้โรแมนติกไหม <laughs> นอนนอนชื่นใจเยีายเนี่ยพอตื่นขึ้นมาไงมองไปที่ทุ่งนาเออไอ้ก้อนขี่ไถมันเป็นสีทองหมดเลยก็ไ อ, อ้ตาฟ้าฟางก็ไปดูไปหยิบมาเออเป็นทองจริงๆด้วยก็เลยแจ้งเรื่องนี้ให้กับพระราชาพระราชาก็ขนให้คนมาขนทองไปพอไปถึงที่ท้องพระโรงก็กลายเป็นดินอย่างเก่า แต่พอเจ้านี้มาจับก็กลายเป็นทองก็เลยโอ้เป็นสมบัติของเขาก็เลยให้คํานวนณเบสเสร็จก็เลยเป็นมหาเศรษฐีรวยเลยในเนี้ยแล้วต่อมาเนี้ยมีลูกสาวชื่อว่าอุตระนันทมาตานี่แหละแล้วหล่อมาก็มีคนหนึ่งมาขอจําชื่อไม่ได้แล้วมาขอนางอุตรานันทมาตาเนี่ยไปเป็นภรรยาแล้วก็ไปอยู่ที่นางอุตระนันทมาตานี่ศรัทธาในพระเจ้ามากแล้วก็เป็นอุบาสิกาที่มีความมีความ มั่นคงในพระัตนตรยัยมีอยู่วันหนึ่งก็คือต้องการอยากที่มนุษยิเจ้าเนี่ยมามารับอาหารทุกวันตนเองจะต้องดูแลแต่ไม่จะทำยังไงหละถ้าตนเองต้องมาดูแลภิกษุสงฆ์ด้วยพริเจ้าด้วยเนี่ยก็จะไม่มีเวลาในการทำทำศีลของตนเองกับสามีคือการอุปถักภบนเปลือสามีก็เลยขอเงินพ่อห5 0 0 0 US ดอลลาร์ถ้าปัจจุบันก็ต้องโคตอย่างนั้นแหละ ใช่ไหมเขาเรียกอาหาปันนะสมัยโบราณเขาเรียกอาหาปันนะจริงๆเป็นอย่างนั้นราคาขนาดนั้นแหละหมื่น้าพันเยอะหมห้าพันยูเอสเป็นปัจจุบันเป็นเงินไทยเท่าไหร่เท่าไหร่นี่แหละเอามาจ้างนางศรีมานางศิรีมาเป็นนางงามจักรวาลจ้างให้มาปลนเปลือสามีเนี่ยตามวันเวลาที่ตัวเองต้องการอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ ก็จ้างมานางนางศริมาเอาไหมโอ้โหเอาสิทำไมไม่เอาไปขอเงินพ่อมาแล้วก็จ้างให้นางดูแลแล้วเธอก็โอ้โหยเข้าไปในโรงครัวทําอาหารดูแลอุปถัมภ์พระพเจ้านิมนต์พระเจ้ามาทุกวันพร้อมพิสูจสงห้าร้อยทอย่างนี้นตลอดนางศริมาก็ปลนเปลือสามีของเธอจนรักเลยเนี้ยมนุษย์เรามันลืมตัวเกันนี่นี่ก็ลืมเหมือนกัน มีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้ว เ, เธอก็เข้าไปอยู่ในกับกับคนใช้แล้วก็ดูแลเรื่องกับข้าวเรื่องอะไรทั้งหลายตัวก็มอมแมมหมดสามีอยู่ข้างบนชั้นบนมองลงมามองลงมาก็นึกในใจว่าหญิ ง, งโง่เลยคือตําหนิภรรยาว่างโง่แท้เงินก็มีทรัพย์ก็มีสมบัติบริวารเยอะแยะหมดแทนที่จะอยู่อย่างสบายสบาย กลับไปต้องลําบากต้องมาลําบากกับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้กับพระกลุ่มนี้กับคนกลุ่มนี้สามีเป็นมิจฉาทิถีไงพรพอเห็นพอนึกตําหนิอย่างนั้นแล้วก็หัวเราะออกมาหัวเราะแบบเยอะเยะ้ยนางนางอุตราก็มองขึ้นไปเห็นสามียิ้มอย่างนั้นก็อ่านจิตตชโลภออกว่าสามีเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดก็นึกในใจว่าโอ้สามีเราเนี่ย ช่างโง่แท้ไม่ฉลาดเลยพระสาัมมาสามัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระลหันเนี่ยภิกษุสงฆ์เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแทนที่จะขนขวายในกุศลที่เกิดมามีทรัพย์มากมาด้วยกำลังทานกุศลศีลกุศล ก, ก็ยังไม่รู้ตัวอีกเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้ก็ก็ยิ้มเหมือนกันแต่ยิ้มในฐานะที่ททตนเองเนี่ย ไม่ไปหมกมุ่นมัวเมาอีกคนหนึ่งยิ้มในฐานะโอ้โหทําไมโง่ต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันแต่คิดไม่เหมือนกันแต่นางศิริมาที่อยู่ใกล้ๆอ่ะพอเห็นอย่างนั้นขึ้นมาโกรธมากเลยโอ้โหขนาดเราปลนเปลอขนาดนี้ยังแอบไปยิ้มให้กันอีกคิดคนละมุมเลยเนี่ยใช่ไหมเข้าใจไหมคิดคนละมุมนะเราเนี่ยชอบคิดเองเนี่ยระวังนะเนี่ย ชอบไปคิดว่าไอ้คนนั้นดา่าเราคนนี้ชมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่รู้กระ บ, บวนการที่แท้จริงเลยหรือบางทีเนี่ยไปเห็นเขาทาชั่วเพียงครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราก็ตีประทับตาว่าไอ้นี้ชั่วตลอดชาติไอ้เนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกอยู่กับความเห็นไม่ได้อยู่กับความจริงฉะนั้นการมองอะไรไมันต้องมองตลอดสายหรือมองเป็นชดัดชัดมองเป็นเป็นเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรามองมองเหมือนภาพถ่ายภาพนิ่งหรือมองแบบเหมือน ติดกล้องติดติดติดกล้องตลอดเวลามันมองมนุษย์ก็ดีต้องมองตลอดสายเราถึงจะรู้เข้าใจความจริงนะยูโหโกโรธพอโกโรธขึ้นมาทาไงนางลืมตัวเลยเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บมงมาเลยเดินด้วยความโกโรธหนึ่งโกโรธสองหน้านิ้วคิ้วขมวดค้างสันกล่าววา่าจาชั่วร้ายมาวิ่งลงมาวิ่งลงม า, งงมาก็ใช้ไอ้ที่กระบวยตัก น้ำร้อนเลยเดินปีเข้ามาเลยนางอุตราเห็นปุ๊บหันหน้าไปแล้วก็คิดถึงอุปการะคุณของนางสิริมาว่าเพราะได้นางมาดูแลสามีทำให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจสงห้าร้อยทุกวันบุญคุณของนางนี้เนี่ยถ้าเอาถ้าเอาโลกเอาฟ้าเนี่ย มาเปรียบก็เทียบไม่ได้ว่างั้นเถอะงั้นจะเอาดินเอาฟ้ามาเปรียบมันเทียบไม่ได้เอามหาสมุทรมาเปรียบก็เทียบไม่ได้เลยว่างั้นเถอะบุญคุณของเธอยิ่งใหญ่มากน้อมใจที่เข้าเมตตาจิตเข้าเมตตาจิตเลยนะแล้วก็แผ่เมตตาพุ่งไปที่ทิศ ท, ที่นางทีนี้เมตตาจิตเนี่ยที่เป็นระดับสมาธินเนี่ยนะ เป็นกุศลจิตตะชลูเกิดขึ้ น, นผักคุ้มคองทำให้กรัชากายทั้งหลายเนี่ยปกคลุมด้วยตัวกุศลที่มีพลังระดับสมาธิเนี่ยนางเอาน้ำเนี่ยน้ำร้อนมาเนี่ยสาดเข้าใส่พอน้ำร้อนมากระทบกายปุ๊บก็กลายเป็นน้ำเย็นน้ำธรรมดาไปเลยปขึ้นมาทีนี้กลุ่มคนใช้สิพอเห็น นางสิริมาประทุษร้ายเจ้าหนายตัวเองก็กลูว ก, ก็มาทำร้ายเลยเธอออกจากสมาธิเห็นถูกทำร้ายก็เลยห้ามห้ามพลน า, าบอกว่าเนี่ยเขามีบุญคุณกับฉันยังไงไงแล้วก็ให้เอายาเอาแรงต่างมามาดูแลนางก็เลยนางสิริมาบอกขอโทษขอโทษเธอเป็นคนฉลาดนี่นางอุตรานา น, นดัมมาตาก็บอก ฉันยังยกโทษให้เธอไม่ได้ยกเว้นแต่พ่อพ่อของดิฉันเนี่ยจะอภัยโทษให้เธอได้เมื่อไหร่ถึงจะยอมยกโทษให้คำว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่หมายถึงหมายนายบุญนานะนายบุญนาสนี่เป็นพ่อปกติธรรมดาเป็นพ่อที่ทำให้อยู่ติดอยู่ในสังสารวัตรแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อที่ทำให้เธอเนี่ยออกจากสังสารวัตรนี่คือเสด็จพ่อคือพระเจ้า ตอนนั้นพระเจ้าก็เสด็จมาพอดีเธอก็เลยพานางศรีมาในเข้าเฝ้าพระเจ้านางศรีมาก็เลยไปขออโหสิด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ขา้าพเจ้ากระทำกับพระเจ้าพระทรมประสงค์แท้จริงอ่ะที่กรณีที่นางโกรธและปฏิเสธลายนางอุตลานั้นน่ะถือว่าถือว่ากระทำผิดต่อพระรัตนตรยัย เราก็เหมือนกันนะถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดการกระทําผิดขึ้นมาแปลว่าเราเนี่ยผิดต่อพระรัตนตรัยนะผิดต่อพระรัตนตรัยทุกครั้งฉะนั้นที่เราไปขออดโทษต่อพระรัตนตรัยเนี่ยเพราะเราล่วงละเมิดเราไปแทนที่เราจะมั่นคงเพราะเราสมาทานว่าเราเนี่ยจะมีพุทธธรรมะสังฆะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตมอบตนถวายแด่พุทธเจ้าเพื่อทำประสงค์อัตภาพเนี่ย จะมอบมอบกับพระรัตนตรัยแล้วฉะนั้นพระรัตนตรัยเป็นใหญ่จะไม่ให้บาปอกุศลจะไม่เป็นธาตุของราคะโทสะโมหะแล้วเราเป็นพุทธบริษัทใช่ไหมทีนี้มันหลุดอยู่เรื่อยเดี๋ยวบาปก็มาเกลือกกล้วเดี๋ยวทุริยดก็มาเกลือกกล้วจึงต้องขออดโทษต่อพระรัตนตรัยแล้วแล้วเล่าเนี่ยขอเป็ดเสร็จปุ๊บก็ลืมอีกแล้วขออีกแล้วก็ลืมแล้วแหมลําบากตรงนี้แหละฉะนั้นต้องตั้งอย่าหลุดบ่อยต่อมาพระพุทธเจ้าก็เลยเทศ พรเทศจบเนี่ยสรุปยังไงให้ชนะคนโกรธ ด, ด้วยเมตตาชนะคนจะหนีด้วยการให้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยนะพอเทศจบปุ๊บนางศรีมากเ็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบัน น, น, นี่ไงเนี่ยความชานฉลาดของนางอุตรานันทมาตาเธอจึงเป็นไอดอลของคนในยุคนั้นว่าถ้ามีลูกสาวขอให้เป็นเหมือนนาง อุตลาถ้าเป็นคารวาสนะหรือเป็นเหมือนนางคุชุตลาแต่ถ้าออกบวชนะให้เหมือนกับนางอุบลวนาเถรีหรือใครคนนึงเทมาเถรีเนี่ยถ้าเป็นลูกชายถ้าเป็นคารวาสก็ให้เหมือนกับหัตถกะอรวกกะอุบาสกแล้วก็ใครอีกคนนึงเนี่ยหัตถกะอุบาสกเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าหากออกบวชก็ให้เป็นเหมือนพระโมคคานาภาษาลิบุตรนี่เขาจะมีไอดอลเขาอย่างนี้อยู่คนอยู่ก่อน เขาจะมีเขาจะมีบุคคลต้นแบบแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกชายเราอยากจะเป็นฟุตบอลเหมอลบอลว่าบอลอย่างเงโอ้เป็นไงไม่รู้มันไม่มีทําไมไปตั้งอุดมคติกันแบบนั้นก็ไม่รู้ต้องต้องฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออเนี่ยอุดมคติของเราคือคนนี้เขยายยังถ้าเป็นถ้าเป็นฆราวาสเป็นผู้หญิงเป็นอย่างนี้ฆราวาสผู้ชายเป็นอย่างนี้ ถ้าออกบวชเป็นอย่างนี้นะถ้าผู้หญิงออกบวชต้องเหมือนอุบลวรนาเทรีเขมาเทลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นถ้าเป็นคารวาสผู้ชายก็ต้องเหมือนหัตถกะอรวกะอุบาสกอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าออกบวชเป็นเหมือนภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยถ้ามีอุดมคติอย่างนี้หรือมีบุคคลต้นแบบอย่างนี้โอ้โหชัดเลยปัจจุบันนี้เราก็โดนทีวีอะไรไม่รูเ้เล่น ฟังเด็กดูเดี๋ยวนี้ล้วงงหมดเลยเนเดีวนี้เอาเด็กมาบวชเน้นบางดืร้อนถามอยากเป็นอะไรหนูโอ้โหมั่วไปหมดเลยเ็นยุ่งเลยเดนเอาอีกข้อนี้เอามาเลยตอบยาวยาวไปพรืเปล่าผไม่รู้ยาวยาวแต่ว่าชัดเจนจิะค่ะพูดดีเลยไม่เหนื่อยเลยอา อาจารย์จท่านเนี้ยบอกว่าเวลาที่มาบวชเนขัมมะอย่างเงี้ยนะคะทุกครั้งกลางคืนจะนอนไม่หลับแต่ก็ไม่เพรียนะค ะ, ะเหมือนว่าใจเนี่ยตื่นตลอดเวลาแล้วก็ได้ภาวนาไปได้เรื่อยๆด้วยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะอ๋อวิตกมันทำงานวิตกก็คือเป็นกุศลวิตตกเนี่ยมันยกจิตอย่างเงี้ยมาไปสอนบวชใหม่ๆมาเป็นแบบนี้โอ้โหแก้แยกยากใหม่ๆเอ้ยคือ แม้จริงๆในเรื่องนี้ถ้าถ้าเอามามาขยายต้องเอาในโทวทาวิตกสูตรแต่เรื่องมันยาวอยู่พึ่งสรุปง่ายๆยางี้ก็คือว่าเวลามันตื่นเต้นในเรื่องของกุศลแล้วเวลากุศลทํางา น, นตัววิต ก, ก, ก, กมันยกทํางานมันพราะพอมันยกจิตบ่อยๆบ่อๆบย ๆ, บยๆจิตก็ไม่น้อมไปในการที่จะลงประวงังในการที่จะหลับ มันก็มันก็เป็นลักษณะเงี้ยแต่เมื่อเห็นไหมยกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะเข้านะเข้าเนะี่ยนะนะกายมันจะล้าแล้วกายล้าแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยนะบางคนเนี่ยก็มันก็ยกอยู่นั่นแหละแต่เทสต์ยิงตรงนั้นเนี่ยถ้ามันล้าเนะี่ยเขาให้น้อมจิตไปในสมาธินิมิตน้อมไปในความสงบน้อมน้อมไปในการที่จะผ่อนคลายน้อมไปว่าก็อาแ ล, แล้วเราจะพักนะน้อมจิตที่ว่าจะพักให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาเพราะว่า การยกจิตเกินก่อเหตุการที่ร่างกายไม่ได้พักผ่อนมันก็ลา้าพอล้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตก็จะฟุง้งเมื่อจิตฟุ้งแล้วสมาธิก็จะไม่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นก็ไม่เป็นฐานกับการเดินปัญญายานพอเข้าใจเหตุเข้าใจผลอย่างนี้ก็จะก็จะก็จะล็อกเวลาตัวเองได้ก็จะน้อมลงสู่ประวังนะอันนี้นี่พูดแบบคร่าวๆแบบสั้นๆแต่จะเป็นไปในแนวลักษณะแบบนี้แปลว่าวิตกมันทางาน มันยกจิตพอยกจิตขึ้นขึ้ น, ข, น, ข, นขึ้นติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องแล้วการลงผวังก็ลงน้อยนะก็จะตื่นตลอดตื่นตลอดนี้เป็นต้นแต่บางทีก็ไม่ดีมันเหมือนอย่างนี้โยมเหมือนออกลบ嘛วิธีทำไมโบราณก็าบอกปิดประตูเปิดประตูออกไปลบกันใช่ไหมออกไปลบลบล บ, บเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันลาทําไงมันยังไม่ชนะ นี่เหมือนกันสู้กับกีเลสไม่ชนะหรอกมันล้าแล้วเขาต้องตีให้สัญญาณหยุดหยุดรบกันแล้วก็เข้ามาปิดประตูเมืองแล้วก็มากินอาหารนอนพักผ่อนเมื่อได้แรงไปเสร็จพวกก็สั่นกระดิ่งสัญญาณอีกทีตีคองตีระครังอีกทีออกไปรบกันใหม่กรณีอย่างนี้เหมือนกันผู้ปฏิบัติทั้งหลายเหล่า น, นี้เวลาจะไปเดินวิปัสสนาญาณทั้งหลายวิจัยแยกแยะเนี่ยแปลว่า ต้องต้องออกจากสมาธินั่นแหละเข้าไปวิจัยแยกแยะทีนี้พอใช้ปัญญามากมากๆเกินไปนะเข้าจะเข้าล้าแล้วล้าแล้วก็ต้องถอยออกมาตั้งมั่นอยู่ในสมาธิก็ต้องมาสงบอยู่กับสมาธิเมื่อสงบอยู่กับสมาธิเพื่อจะให้ลงพวังก็ว่าไปหรือไม่อย่างนั้นก็ตั้งอยู่ในสมาธิในปฐมฌานอย่างนี้เป็นตน้นหลังจากเออบิมปลาโมดปีติปสัสสธิสุขและสมาธิ จนมั่นคงเป็ดเสร็จปุ๊บเอาสมาธิเป็นฐานเดินวิปัสนาญาณต่อถ้ายังไม่ชนะกิเลสตราบใดก็กลับเข้าถอยเหมือนปิดประตูเมืองกลับมากินอาหารกินกินข้าวกินอาหารพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นนั้นสมาธิเนี่ยเป็นการพักบรรดาสมาธิทุกระดับเนี่ยเป็นการพักเป็นการให้จิตมีพลังไม่ใช่สู้กับกิเลสแต่เป็นการสงบระงับแต่จะไปสู้หรือไปคัดวิจัยแยกแยะเนี่ย ต้องเอาสมาธิเป็นฐานแล้วเดินปัญญาญาณไปวิจัยแยกแยะเพื่อจะถอนรากถอนคนกิเลสนั้นว่ากันอีกอย่างนี้เป็นต้นถ้ายังไม่ชนะถอยกลับมาอยู่ในสมาธิใหม่เขาทําลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าไปโหยกจิตวิจัยวิจัยวิจัยตรึกไปเรื่อยๆรืล้าเลยนะเข้ากับฟงพอจะชัดไหมเจ้าค่ะก็ได้เวลาเลยเจ้าค่ะ หมดแล้วนะค่ะแต่คำถามยังไม่หมดเจ้าค่ะอีกเยอะเหมือนกันเอาไว้เอาไว้ไวันพรุ่งนี้เนะาะมีโยมท่านใดอยากถามอะไรสักข้อไหมอ้าวเชิญเชิญเชิญขอโอกาสนะคะชาวนะ ไอ้ใส่บาตรเช้าๆทุกวันก็จะใส่บาตรทุกวันชันะะ้นเนี้ยสามีก็ยังไม่ตื่นเนยนะคะก็เรียกให้เขามาจกข้าวอาหารที่เราจะไปใส่บาะ<ม>อยากทราบว่าเขาจะเพราะ เ, เราตื่นเช้ามืดอะคะ่ะอยากทราบว่าเขาจะได้บุญที่เราไปใส่บาตรด้วยไหมคะเขาตื่นขึ้นมาไหมตื่นตื่นแบบไหน แล้วเขาก็โมทนาบุญโดยาาการยกยรก็หน้าตาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วยอมตื่นขึ้นมาแล้วยอมจิตเบิกบานไหมตอนที่โมทนาจิตเบิกบานหรือเป่าเ <c oughs> รื่องวงเงียงวงเงี้ยอ๋องวงเงียเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ไงยอม <c oughs> ถ้าบุญสนเกิด <c oughs> ก็คือต้องจิตเบิกบานล่าเลิงผ่องสายชื่นใจประดุดดังว่าตนเองเนี่ยยินดีด้วยแล้วก็โมทนา แล้วก็น้อมในการประดุดจำเป็นถวายเองก็<อ>งัวงเงียมปุกอีกแล้วเว้ ย, แ, ย, แ, ยแต่ปัจจัยก็เป็นขามาก็คนละเรื่องกันตรงนั้นนะก็คือปัจจัยเป็นของใครก็รก็เข้าใจอยู่แต่ว่าประเด็นว่าเวลาหงุดหงิดเนี่ยเขาเรียกว่าทํากุศลพร้อมด้วยความกโกรธมันมีสลับกันงุดหงิดโกรธเมื่อปลุกอะไรกันนะกันหนาะ <c oughs> มันมันตรงเนี้ยมันเครื่องบอกว่า ไอวิจัยยทานนางการการให้ทานต้องต้อ ง, ต, องต้องตั้งใจก่อนให้ใช่ไหมเป็นปุภาเจตนาต้องศรัทธาวริยสติสมาธิปัญญาต้องต้องชัดให้โดยศรัทธายังไงให้ด้วยความเคารพนอบน้อมยังไงให้สละขาดยังไงเนี่ยให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นเป็นต้นยังไงคือมันอย่างนี้ยอมเข้าใจคําว่าให้ด้วยความยำเกรงไหมเข้าใจคํานี้ไหมแล้ว เ, เข้าใจคือไงอ่ะ ฉันว่าไม่เข้าใจนะเนี่ยก็ัวภรรยาจะว่าก็เลยคือคืออย่างนี้วนนเวลาการให้อาหารเนี่ยขอติ้งนิดหนึ่งบางคนเนี่ยเวลาจะให้ทานเนี่ยนะให้ทานกับพระสงฆ์แต่ไปคิดถึงผู้ตายเช่นพ่อชอบกินชอบกินอะไ ร, ะไรต้มยำพ่อเออชอบพ่อชอบชอบอะไรชอบพะโล ชอบขอไปนะระบุอ่านพ่อพ่อที่ตายไปแล้วชอบกินพะโลพอพระมาก็เลยเอาพะโลมาถวายพระนี่พระองค์นั้นเป็นไขมันสูงปัญหาตามมาละสิตัวเนี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่ยำเกรงคำว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงคืออะไรรู้ไหมให้แล้วเนี่ยไปทำให้ ตับท่านทํางานทํางานหนักไตทํางานหนักหัวใจทํางานหนักปอดเนี่ยเอาไว้วางท่านทํางานหนักมันต้านทานประเภทนี้จะเป็นเหตุทําให้โยมเนี่ยมีลูกหลานแล้วเขาเขาไม่เคารพเขาไม่ยอมเกรงเพราะเราให้แบบไม่ยอมเกรงต่อสงทีนี้เราไปเข้าใจว่าพ่อชอบพะโลตายไปแล้ว แล้วก็จะต้องกินพะโล่เนี่ยเลยพระเหมือนบุรุษไปสีย่ยไงไม่รู้ต้องเอาพะโลผ่านกระเพาะของพระเพื่อจะวิ่งวิ่งไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการให้ที่สมควรแด่สงเหมาะแก่กระแสชีวิตของท่านและสมควรแก่ท่านนั่นแหละเป็นการท่านจะได้ของที่สมควรคนที่ตายไปแล้วจะได้สมควรแก่เขาทีนี้สัตว์นรกเขาก็มีอาหารแบบสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารแบบสัตว์เดรัจฉานเปรตใช่ไหมบางหมู่เหล่าทั้งหลายก็มีอาหารที่จะจากอุทิศให้ประเภทอย่างไรก็มีเทวดาก็มีอาหารอย่างเทวดานี่พี่ต้นบางทีเนี่ยเราไปกํานึงถึงว่าพ่อตายแล้วชอบอะไรก็ล็อกบรงนั้นที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมลูกตายลูกเด็กๆ เ, เล็กๆ เ, เอาตุกตากับกระปรงเล็กๆ ไ, ไปถวายพระโอ้เนี่ยมาเจอหลายๆอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้ว จะพูดยังไงวันนี้มามาแล้วต่อไปมาถวายท่านอาจารย์มหาสุรัต์มันเรื่องใหญ่เรื่องนี้ยังเยอะแต่มาไม่อยากจะเจาะเข้าไปในรายละเอียดนะเอามาว่าเรื่องทานกุศลก็มีปัญหามากสมัยชาวพุทธเนี่ยเรื่องทานกุศลก็มีปัญหามากสรุปแล้วนี้ก่อนพ้นเยอะให้ด้วยศรัทธาจะได้ยังไงให้ด้วยความเคารพจะได้ไงไม่เคารพไม่ศรัทธาจะได้ไงรายละเอียดมันเยอะมากตรงนี้มาเคยบรรยายไว้เยอะแล้วไปหาตามฟังเอา นี่โฆษณาโฆษณาตอนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลาอุทิศส่วนกุศลคนที่ร่วมมาทำก็ต้องก็ต้องตื่นเต้นชื่นใจก่อนทขนาขณะทำหลังทำไม่ใช่งว ง, งเงียบมาอันนี้แปลว่าตอนนั้ น, นไม่รู้เรื่องหรือไม่งั้นก็คือเครียดด้วยโกรธ ด, ด้วยงดจิต ด, ด้วยเมาปกอยู่เรื่อเยเลย น, น, นั้นต้องต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้เอิบอิ่ม บอกเดียวๆต้องบอกตอนนี้ยังงงเงียดเดี๋ยวขอล้างหน้ากลยต้องทําจิตให้ผ่องใสล่าเรืองไปใส่กันน้อมหมดฐานะเลหรือเดินลงไปร่วมกันใส่ไปใส่เลยสิ้นเรื่องเลยดีไหมอธิษฐานไปเจอกันทุกชาติหรือเปล่าไม่ตื่นไม่ยอมตื่นใครไม่ยอมเขาไม่ยอมตื่นไปใส่ด้วยอ๋อเขาไม่ยอมเจอก็ <c oughs> เลยต้องต้องปกต้องก ล, ลัวเขาจะไม่ตามไปอยู่ด้วย <c oughs> โอ้เรื่องยาวแล้วยอมแค่นี้ก่อนดีกว่า เนอ้อทิศ ส, ส่วนกุศลเนี่ยนะอ้าวตั้งเอามาตอบได้พอเข้าใจเนาะถ้ายังไรก็ถามท่านอาจารย์มหาสุรัะต่ออยู่ที่นี่นานๆหรือท่านจะตอบรายละเอียดให้ว่าตั้งกินให้สงบเ น, น้อทิศส่วนกุศล ก, กัน